หลวงพ่อสอนกรรมฐานให้เยอะแล้วนะอยู่ที่ต้องฝึกเอาเองเป็นหลักฟังอย่างเดียวไม่มีทางเข้าใจธรรมะหลวงปู่มัม่นท่านบอกว่าธรรมะนะถ้าเข้าไปสู่จิตปุถุชนนะจะกลายเป็นสัตรธรรมปฏิรูป็นธรรมะเพีย้ยนจิตติความเพีย้ยนทันดีเลยที่เราแทนที่เราอยากคิดเอาฟังเอา หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆลงมือทำเอาเองลงมือปฏิบัติไปเห็นผลขึ้นมาสนีศรัทธาของเราก็จะแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศรัทธากลับกรอกยิ่งเราเห็นผลนวิริยะความเพียรก็จะยิ่งเยอะถ้าเราภาวนานแบบจับหลักไม่ได้มั่วซั่วไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็หมดแรง บมดความเพียรบทดกำลังใจอย่างพระนะบางทีบวชนา น, น, านไม่ได้ภาวนาหรือว่าภาวนาไปแล้วมันไม่ถูกหลักนะหลายหลายปีเาก็หมดแรงภาวนาไม่ไหวแล้วก็าหาเครื่องอยู่เครื่องเล่นอะไรเล้อเๆเทอเทอไป เงตอนนี้ยังมีแรงมีศรัทธาอยู่ก็เร่งขยันดูสภาวะไปยิ่งดูศรัทธาก็ยิ่งเพิ่มวิริยะก็ยิ่งเพิ่มสติสมาธิปัญญาก็ยิ่งเพิ่มไม่หมั่นรู้หมั่นดูอดทนพยายามดูพยายามดูไปสุดท้ายฉันทาก็หมดวิริยะก็หมด สติสมาธิปัญญาเขาไม่เพิ่มขึ้นการปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรมีสองส่วนเท่านั้นเองการฝึกจิตฝึกใจส่วนหนึ่งฝึกให้จิตมีแรงมีกำลังมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาส่วนหนึ่งเอาจิตที่พร้อมแล้วนะีไปเจริญปัญญาใือไปเรียนรู้ความจริงของสภาวะธรรมรูปนามกายใจ ง่ายๆแค่นี้แหละงารเบื้องต้นทำอะไรไม่ได้นะหายใจไปพุทโธไปรู้สึกตัวไปพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยนะอย่าฟุ้งซ่านเลอะเธอหายใจไปรู้สึกตัวไปฝึกไปเรื่อยๆหลวงพ่อฝึกนะหายใจไปรู้สึกตัวไปฝึกอยู่ยี่สิบสองปีนะเพร่อหลวงพ่อหาวิธีที่จะเจริญปัญญาไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะเจริญปัญญายัางไงไปอ่านพระไตรปิฎกก็อ่านอ่านทั้งหลายรอบอ่านแล้วก็จับหลักไม่ได้ว่าจะเจริญปัญญาได้ยังไงเาะฉนั้นอ่านไปมากๆนะมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาตัวจริงของเราเป็นปัญญาจากการอ่านจากการฟังกลางคืนก็ฟังวิทยุสมัยโน้นรายการพล้าเนี่ยจอยู่ดึกๆตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ย พยยามฟังยกน้นที่ออกวิทยุบ่อยนะมีหลายท่านมีอาจาร์แนบจแนบออกวิทยุแต่จาแนบสอนนภิธรรมนะก็ไม่รู้จะลงมือปฏิบัติยังไงอยู่ดีอีกท่านหนึ่งท่านก่อเขาสวนหลวงท่านก็สอนเรื่องเจริญสติเรื่องดูจิต ด, ดูใจอะไร่เงี้ยอนนี้ เ, นเข้าถึงใจ เข้าถึงใจแต่ยังจับหลับที่จะลงมือไม่ถูกบางท่านก็สอนนะฟังแล้วหลับแล้วหลับอีกเลยสอนหายใจบางองสอนเป็นภาษาอังกฤษนะเช้าคุณโชดกฟอนเลิงไลซิงทำเสร็จ่างนี้บางอง หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะสองสามรอบเราหลับแล้วหนะลับสนิทเลยนะเนี่ยพยายามนะพยายามหาวิธีปฏิบัติระหว่างที่หาวิธีปฏิบัติยังไม่เจอหลวงพ่อทำสมาธิทำสมถะไม่เลิกหรอก เงี้ใจเลยตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดูตั้งแต่ตอนเป็นโยมแล้วถ้าไปเจอหลวงผู้ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตกําลังสมาธิมันเยอะอยู่แล้วมาดูจิตนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วดูจิตดูใจแทนที่ไปฝึกให้มันนิ่งก็ฝึกให้มันรู้เท่าทันเวลาสภาวธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่นะ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดับไปคอยรู้ไปกานทำอะไรไม่ได้ทำสมถาไว้ก่อนแต่ต้องเป็นสมถาที่ประกอบด้วยสติอย่าทำวิจาสมาธิถ้าเราทำวิจาสมาธินะขึ้นปัญญาไม่ได้หรอกนั่งอย่างนี้ นั่นเคลิ้มไปหรือเครียดนะอย่างนี้มันไม่ใช่อะลองฝึกดูซิใช้ใจปกติใช้ใจตอนนี้เลยเราเห็นร่างกายหายใจไปด้วยใจปกติใจตอนนี้เลยอย่าดัดแปลงใจนะเนีย่ยดัดแปลงแล้วใจจยแน่นแน่นถ้าทำแล้วใจแน่นแนะ่นนะแสดงว่าดัดแปลงแล้ว เข้าไปแทรกแสงไปบังคับนะเราฝึกดูไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะทำใจง่ายๆหลอกหลอกจิตมันเป็นอุบายทำใจว่าเรากาลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยหายใจไปพุโทโธไปคิดนะว่าเรานั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องนึกหน้าพระพุทธเจ้านะนึกไม่ออกเดี๋ยวก็นึกพระพุทธรูปแทน แค่ทำใจหนูเสื้อลายลูกไม้เยอะๆนะฟุ้งซ่านนะทำใจว่ากำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าซะเนี่ยเรารู้สึกตัวไปเวลาเรานั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าเราคงไม่นั่งหลับะนะ แล้วเราคงไม่นั่งเครียดหรอกจิตใจมันมีปิติมีความเบิกบานเวลาได้ฟ้าพระพุทธเจ้านี่เป็นอุบายนะอุบายสำหรับคนซึ่งสมาธิยังไม่แข็งแรงถ้าสมาธิแข็งแรงไม่ต้องทําอะไรมากเรื่องจากทาสมาธิจิตก็เป็นสมาธิแล้วเเวลาถอนออกจากสมาธินี่เราจะฝึกถอยออกจากสมาธินะ หายใจให้แรงขึ้นแรงขึ้นนิดหน่อยนะไม่ต้องแรงเครื่อกพอหายใจให้แรงขึ้นนะปลุกความรู้สึกตัวให้มาอยู่ที่ร่างกายตอนเราเข้าสมาธิบางที่ร่างกายหายไปเลยเนี่ยจิมจะถอนออกมาแบบเนี้ยนะส่วนใหญ่ก็ถอนออกมาแนละ้วลืมตาไดนะ้จะไม่ปวดหัวนะจะเข้าสมาธิก็ต้องฝึก จะออกจากสมาธิก็ต้องฝึกที่ฝึกยากคือฝึกทรงสมาธิก็ฝึกเจริญปัญญาในสมาธิถ้าเราทำได้โอ้สบายการภาวนานะมีความสุขถ้าทำไม่ได้ก็ไปเดินวิปัสสนาเลยลก็ลำบากเป็นพระอรหันต์ก็เป็นแบบเรียกสุขวิปัสสก์แขงแรง เรียนกับหลวงพ่อ้องเอาให้ได้ทั้งสองอย่างเลยสบายแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาวิปัสสนาะเนี่ยหมอเดินมาใจเราสะเทือนรู้สึกไหมใจเราเพาแหวกตัวอะไรมาวะนะ ต, ตัวอะไรคลานคลานเข้ามาใจใชไมมีคนไปปิดพัดลมใจเราก็กระเทือนนะเนี่ยคอยรู้คอยดูไปเราฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองก่อน นะสมาธิจะช่วยให้จิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขมีเรี่ยวมีแรงใจมีกำลังถ้าจากนั้นจเจริญปัญญาการจเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอานะแต่เป็นการเห็นสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะคือรูปธรรมนามธรรมารู้จักโกรธไหมโกรธเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมานามธรรมาใช่ไหม นามธรรมนะเป็นสภาวะที่รู้ง่ายรู ป, ปรธรรมเป็นสภาวะที่รู้ยากกว่านะยากกว่าเยอะเลยอย่างธาตุดินน้ำไฟลมนะรู้ยากรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรู้ยากไม่ใช่ดูเมีเวยวเยาวาเพศอะไรไม่ใช่นะตัวรูปที่กำหนดเพศจริงๆอยู่ในยีนซึ่งมั น, มนเกินปัญญาที่จะรู้ แต่ตัวนมามธรรมรู้ง่ายโกรธรู้จักไหมโกรธก็รู้จักใช่ไหมโลภรู้จักไหมอยากอยากได้น้นอยากได้นี้เบื่อหงุดหงิดลําคาญจิตใจไม่สบายอิจฉาเนี่ยนิ่ตระกูลโทสะเสงนิ่ตระกูลโทสะถ้าใจไม่แช่มชื่นเนี่ยตระกูลโทสะ ถ้าราคาเนี่ยใจเป็นอุเบกขาก็ใจสดชื่นนะโมหะใจก็เฉยๆแล้วแต่ไปเกิดร่วมกับราคะหรือโทสะมันก็คล้อยตามไปหัดสังเกตใจเราเองนะใจเราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาก็รูนะ้ใจเราฟุ้งซ่านหลงไปคิดก็รู้นี่หัดรู้สภาวะเรื่อยๆไป กรรมฐานยังไม่ยากอะไรหรอกการจเจริญปัญญาะขั้นต้นเลยหัดรู้สภาวะพารู้สภาวะได้นะต่อไปปัญญาค่อยแกะกลาก้าขึ้นไม่เห็นนะสภาวะทั้งหลายเรื่องจะเกิดจดเหตุนะไม่ใช่มีสภาวะลอยๆมาอย่างเราเห็นใจมันโกรธโกรธก็รู้โกรธก็รู้นะ่ช่วงหนึ่งเลยจะรู้เลยความโกรธก็มีเหตุให้เกิดต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ความโกรธที่จเกิดถ้ากระทบแต่อารมณ์ที่ชอบใจความโกรธไม่เกิดหรอกนี่บางคนทําบุญมาดีนะฮุ้มมีแต่อารมณ์ที่ดีถูกอถูกใจแล้วบอกเป็นคนไม่โกรธไม่ใช่เก่งอะไรหรอกเป็นแค่ไม่มีเหตุของความโกรธเท่านั้นแต่มันมีเหตุของความโลภแทนอารมณ์ที่ชอบใจนะกระตุ้นความโลภอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระตุ้นความโกรธเนี่ยเราหัดดูไปโกรธก็รู้โลภก็รู้นะ ถตาไปแล้วก็รู้เหตุรู้ผลด้วยเรยจะรู้เลยทุกอย่างเกิดจากเหตุท้งนั้นเลยแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเราก็จะเห็นนะทุกอย่างที่เกิดนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยใจมัเริ่มเดินมิปัสสนาแล้วจะเห็นการทำมิปัสสนาไม่ใช่คิดเอา ไม่ใช่อ่านเอาฟังเอาแต่เป็นการเห็นเอาเห็นสภาวะเห็นความโกรธมันผุดขึ้นมาเห็นด้วยใจนะไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นความโลภมันผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกตัวเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเฝ้ารู้เฝ้ า, าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเจ็ดนะเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันอะไรก็ดูเพเถอนะนก็ดูจนความมันจะแจ้ง บางคนมันก็แจมแจ้งเร็วเจ็ดวันเอบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีหลวพ่อเคยเจอเจ็ดวันอยู่คนหนึ่งเป็นชาวบ้านนะชาวบ้านแต่จะว่าเจ็ดวันก็ไม่ใช่หรอกจะอยู่ใกล้ๆวัดป่าดงคูที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็ สนใจปฏิบัติก็เข้าไปวัดหลวงพ่อกิมวัดป่าดงคูก็เรียนอยู่กับหลวงพ่อกิมนี่เรียนเรียนไปใจมีสมาธิขึ้นมาที่แรกไม่ได้คิดจะบวชอะไรหรอกใจมันมีสมาธิขึ้นมาตอนเดินอกอกจากวัดเนี่ยมองทะลุลงไปนะไปเห็นญาติพี่น้องเห็นคนรู้จักนะที่ตายแล้วญาติพี่น้องพวกนี้ มีอาชีพเลี้ยงใหม่เวลาตัวไหม่มันโตได้ที่นะเขาจะมาใส่ปี๊บต้มน้าร้อนนะแล้วไหมใส่ลงไปต้มไหมมันก็ตายนะค่อยเอาเส้นใหญ่มันสาวสาวมาหมุนหมุนอย่างนี้หมุนสาวเส้นใหยออกมานี่อุบาศพคนนี้ก็มองลงไปเห็นญาติพี่น้องกําลังถูกต้มอยู่ ต้ม อ, อยู่ในกระทะใหญ่ๆ ใ, ใ, ใจก็สยดสยองนะรู้สึกว่าโว่การเป็นคราวาสน่ากลัวนะก็ทามาหากินนะไม่รู้จะทำมาหากินอะไรนะทำไร่ทำนาก็ต้องฆ่าสัตว์นะไม่ใช่ไม่ฆ่าต้มตัวไหมก็ต้องฆ่าสัตว์ใจเริ่มรู้สึกว่าเป็นฆรวาสเนี่ยเป็นโทษมีโทษนะจะให ศีลบริสุทธิ์หมดจดนี่ยทํายากก็กลับบ้านไปอีกช่วงหนึ่งภาวนามาทุกวันนะอีกวันหนึ่งภาวนาเดินออกมาจากวัดอีกเนี่ยเวลาออกจากวัดเนี่ยชอบจิตส่งออกนอกจิตแรกไปเห็นนรกก็ครั้งที่สองเนเห็นโลกโลกทางภูมิศาสตรนะ์จากเด็กที่ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาพูดเล่าให้คนฟังได้เลย ว่าโลกเราเนี่ยเปล่าบางมากเลยมีเปลือกบางๆอยู่นิดเดียวเองนะเทียบไปแล้วบางยิ่งกว่าไข่เปลือกไข่ไก่อีกแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำเป็นน้ำเหลวๆร้อนๆเป็นไฟอยู่ข้างในเป็นไฟเป็นน้ำนะแล้วมันข้างในเนี่ยน้ำเนี่ยมันเคลื่อนอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยนะ ไอ้เปลือกเนี้ก็จะกระทบกันแตกเป็นชิ้นๆกระทบกระทบกันรู้สึกกระทั้งโลกนี้ก็ไม่เที่ยงชีวิตนี้ไม่มีความมั่นคงเลยเราเกาะเปลือกบางๆอยู่เท่า น, นั้นเองมันจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าแตกก็จมลงไปในสิ่งที่หลอมละลายนั้นเนี่ยชาวบ้านนะภาวนา เลยเห็นเลยว่าชีวิตเนี้ยไม่มั่นคงนี่เห็นตัวเองเป็นใจรักแล้วนะเลยออกบวชตอนบวชก็มาบวชกับหลวงปู ด, ดูลนะก็ไปอยู่วัดสาขาที่วัดน่าเลือนจำอยู่กับหลวงพ่อคืนพอนาถึงวันที่เจนะ็ดเนี่ยจิตรวมลงไปสว่างแล้วนะใจมันก็จับอยู่ในความสว่างเนะช้าขึ้นมาก็ไปถาม พระผู้เฒ่ า, าองคหนึ่งชื่อหลวงตาซอมหลวงตาซอมท่านก็ภาวนาเก่งถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าจิบนิ่เข้านิโรธมันว่างสว่างไปหมดจิบนิ่เข้านิโรธนี่ก็สักว่าเข้านิโรธมันยังไงไม่เข้าใจหลวงตาซอมก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันนะไปถามหลวงปู่เอาก็าเลยไปถามหลวงปูด่ดูนเนา องนี้ท่านก็บอกจิตเข้านิโรธยึดถือความเข้านิโรธยึดเข้าไว้เดินไปหาหลวงปู่ดูลตัดทุ่งไปสามกิโลตอนนั้นยังเป็นทุ่งอยู่เดินได้สามโลท่านเดี๋ยวนี้ก็เดินตามถนนวกไปวกมาหลวงพ่ อ, อยังทันรุ่นเดินตัดทุ่งไปวัดบุรพาาำไปเจอหลวงปู่ ไปกราบหลวงปู่นะบอกว่าผมถึงนิโรธภาวนาถึงนิรโรธหลวงปู่ตาวาดเนะเฮ้ยนิโรธนิโรธ อ, อะไรถูกหลวงปู่ตาวาดแนละ้วจิตก็ครความยึดถือความว่างๆที่ยึด่อาไว้นะจิตก้แแบกออกมาเบิกบานออกมาได้อันนี้บทได้เจ็ดวันจริงๆภาวนามานานแล้ว งั้บางทีเป็นฆราวาสนะภานาแล้วได้ธรรมะเลยก็มีนะสมัยพุทธกาลก็เยอะๆไปบางทีก็ามาบวชได้ธรรมะก็มีงนนันธรรมะจริงๆไม่เลือกเพศหรอกว่าเป็นฆราวาสหรือเป็นนักบวชอยู่ที่เราทําถูกหรือเปล่าทําพอหรือเปล่าสองตัวเนี้ยจะทําให้ถูกก็เห็นสภาวะไป ความล่อยเกิดขึ้นก็เห็นความโลบเกิดขึ้นก็เห็นใจหนีไปคิดก็เห็นคอยรู้ทันใจตัวเองไปเห็นด้วยปัญญานะไม่ได้เห็นด้วยตาหลวงพ่อหัดดูจิตใหม่ๆนะปวดตามากเลยพย า, ยามาตาไปดูไม่เคยชินที่จะเห็นด้วยตาเนี่ดยดูมันโลภยังมันโกรธยังย่นไปหมดเลยนะตาปวด แล้วก็รู้ว่าผิดแล้วแต่กว่าจะหายนะร่วมปีนะึ่กว่าจะหายเพียงด้วยตาภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งที่ทำขึ้นมากแต่ผิดทั้งนั้นแหละแต่ก็ทำไปทำไปเรื่อยๆมันก็ถูกมากขึ้นมากขึ้นผิดน้อยลงน้อยลงฝึกตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกหัดรู้สภาวะไป พวกเราก็รู้สภาวะอยู่แล้วกรวดก็รู้จักโลภก็รู้จักเห็นไหมใจลอยรู้จักไหมใจลอยใจลอยคือตัวหลงลอยไปโน่นลอยไปนี้อย่างเมื่อกี้ลอยไปหาหมอดไลอยไปหาคุณแม่เป็นแม่ไปปิดพัดลมอะไรเงี้ยใจเราลอยนี่ลอยไปทางตาถ้าลอยทางจมูกพวกนั่งริมๆเนี้ยได้กลิ่นอาหารนะใจมันก็ลอยลงไปในหมอ้อลงไปในชาม ใจไม่ไหลไปไหลไปดมคอยรู้ทันใจตัวเองนะใจโลภก็รู้ใจโกรธก็รู้ใจไหลไปไหลมาก็รู้หรือตัวนี้ดูไม่ออกดูตัวอื่นก็ได้ที่เกิดกับใจเราใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู้ใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้รู้จักใจสุขไหมเวลามีความสุขจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์จิตใจเฉยเฉย สุขทุกข์เฉยๆเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันมีตลอดเวลานะสุขทุกข์เฉยๆหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนมีตลอดเวลากุศลกุศลมีบากไม่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลสามัญนี้ก็หมุนอยู่ในใจเราทั้งวันเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็เฉยๆ ไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเนี่ยสภาวะมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวถ้าดูกิเลสก็โลบโกรดหลงถ้าดูกุศลก็ไม่โลบไม่โกรดไม่หลงมีโลบโกรดหลงเกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันกลายเป็นไม่รลบไม่กรดไม่หลงตอนนั้นเป็นกุศลไปมีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้มีเฉยเฉยก็รู้ อัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราเองสภาวะมันจะสอนนะไม่มีใครสอนธรรมะเราได้การที่เราไปเห็นสภาวะนะั่นแหละใจมันจะเข้าใจธรรมะมันจะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเพราะเราเห็นนะโลบเกิดโลบก็ดับโกรธเกิดโกรธก็ดับหลงเกิด ลงก็ดับใช่ไหสุขเกิดสุข ก, ก็ดับทุกเกิดทุกก็ดับไม่ทุกไม่สุขเกิดมันก็ดับมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยการที่เราคอยอ่านใจตัวเองไปเรื่อยอ่านใจตัวเองเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเห็นตรงนี้ได้นะปัญญามันจะแทงทะลุลงไปเลยจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช้ตอนอีกต่อไปแล้ว ของที่เกิดแล้วดับมันจะเป็นตัวตนที่ถาวรได้ยังไงไม่มีตัวตนที่ถาวรอย่างพวกเรารู้สึกไหมมีเราอยู่เราคนนี้ถาวรรู้สึกไหมเราคนนี้ก็เราปีกลายเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราตอนนี้นะก็เราตอนเย็นนี้ก็คนเดิมเราตอนนี้ก็เราปีหน้าก็คนเดิมถ้าลึกลงไปนะเราตอนนี้ก็เราในชาติก่อนก็คนเดิมนะเราตัวนี้ก็เราในชาติหน้าก็คนเดิม ตรงนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนที่เป็นพระโสดาบันจะละได้มันจะรู้ว่าตัวเราไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับสิ่งที่เป็นตัวเรามันมันเลยจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอมตะถาวรรู้สึกไหมตัวเราตัวนี้กับเราปีกลายก็ตัวเดิมมันอมตะมันถาวรนั่นที่เรียกว่าตัวเราตัวเราหมายถึงตัวตนถาวรใความรู้สึกปู๊บปา๊บปมีตัวตนแล้ดับอะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ใช่ตัวนี้หรอกนะค่อยๆฝึกไปสุดท้ายก็จะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเฝนะ้ารู้เฝ้าดูพอล้างความเห็นผิดได้ก็จะรู้เลยตัวตนถาวอนไม่มีนะตัวตนที่ถาวอไม่มีมีแต่ตัวตนชั่วคราวที่เกิดจากการหมายรู้ผิดเป็นครั้งเป็นคราวนะเรียกว่าสัญญาวิปราสมีตัวตนชั่วคราว เพราะการคิดผิดๆเป็นครั้งเป็นคราวเรียกว่าจิตตาวิปลาสแต่ถ้ามันลึกซึ้งลงไปมันเป็นทิฏฐิวิปลาสอย่างพวกเราเนี้ยระดับทิฏฐิวิปลาสเป็นความเห็นผิดเพราะว่ามันสะสมความเห็นผิดมานานเมื่หัดรู้สภาวะไปเราเห็นสภาวะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเราดูไปสุขเกิดแล้วดับทุกข์เกิดแล้วดับไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะ กุศลเกิดแล้วก็ดับอย่างบางทีอยากฟังธรรมฟังไปฟังไปเบื่อเนี่ยกุศลดับแล้วอกุศลมาแทนแล้วก็เฝ้ารู้เฝ้าดูนะนโลบมาแล้วโลบก็ดับเห็นไหมอยากได้นอนอยากได้นี่ไปพอได้มาแล้วก็ดับยังไม่ทันจะได้มาเลยนะลืมนึกถึงมันก็ดับอย่างเรารักผู้หญิงสักคนหนึ่งนะ คือเรารักผู้ชายสักคนแล้วบอกเราคิดถึงตลอดเวลาจริงไหมไม่จริงหรอโกโกหกถ้าใครพูดอย่างนี้นะชี้หน้าไปเลยโกหกนะศีลห้าไม่ครบไม่เอามาทําถัวหรอกอย่างเนี้ยนะไม่เอาโกหกเวลามันไปคิดเรื่องอื่นอะ่ะมันก็ไม่คิดถึงเราแล้วเห็นไหมพอไม่คิดถึงเราความรู้สึกรักเรามันก็ดับนะพอไม่คิดถึงเราความรู้สึกรักเราก็กเกิด แต่พอไปอยู่ด้วยกันนานๆนะเขาไม่คิดถึงเราอุเบกขาเกิดนะนานกว่านั้นอีกโทสะเกิดบางทีจะเริ่มเอาเมียเป็นนินทานะแก่ง่ายตายยากพูดมากกินจุดูยังก็หมาอนะไรอย่างเงี้ยะไปว่าเมียตอนหน้าก็อีกอย่างหนึ่งนะเคารพคนไทยถูกสอนให้เคารพเมียนะเรียกแม่หลายคนเรียกเมียว่าแม่เคยได้ยินไหม แม่แม่เรียกให้ลูกฟังเรียกจนเราคิดนึกแม่เธอทำไมดูเด็กกว่าเธออีกวนะเกิดสำคัญผิดนะเรื่องหัดดูไปอย่างใจขำความขำเกิดแล้วก็ดับนะถ้าเราสามารถดูได้นะั้นว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเราจะรู้ว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัว ต, วตนถาวอหรอกความรู้สึกว่ามีเรานะ่ะก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนั้นตัว ต, วตนถาวอไม่มีก็จะละ ความเห็นผิดได้ค่อยๆฝึกไปไอตัวความเห็นผิดนะมันมาจากการหมายรู้ผิดแล้วก็หมายรู้ผิดก็ทําให้คิดผิดเวลาเราคิดมีเราทุกทีเลยประธานในการคิดคือเรารู้สึกไหมเราอย่างโน้นเราอย่าง น, น, าางนี้หรือใครใช้คําอย่างอื่นมีไหมใครใช้คําอื่นเวลาคิดในใจแล้วพูดถึงตัวเองใช้คําว่าอะไรดิฉันมีไหม คงไม่บ้าขนาดนั้นนะนะเดียนนะวันนี้เดียนจะไปฟังหลวงพ่อประโมทนะนะ อ, อะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีอะนะก็จะเป็นเราเป็นอะไรงเงี้ยตอนนี้เราขับไหมเนี่ยใ่ยค่อรู้ไปอย่างเงี้ยนะจะเห็นนะตัวเราที่ถาวรไม่มีหรอกมีแต่ตัวเราที่หมายรู้ผิดที่คิดผิดที่เชื่อผิดผิดแต่เชื่อผิดผิดเนะี่ยต้องไปล้าง ด้วยปัญญาอย่างสูงเลยนะตอนเป็นพระโสดาบันนี้จะล้างความเห็นผิดได้นะอย่างพวกเราตอนเนี้เราล้างการหมายรู้ผิดผิดด้วยการหมายรู้ถูกถูกแทนที่จะเห็นร่างกายเป็นของเที่ยงจิตใจเป็นของเที่ยงก็คอยดูไปเออจิตใจก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวรายนะ้ายเนี่ยก็ล้างการหมายรู้ผิดด้วยการหมายรู้ถูกนะเวลาคิดก็คอยมีสติเตือนตัวเอง นี่ไหมคิดแล้วเกิดเซลล์แล้วกูคิดขึ้นมาแล้วเวลาโมโหก็เป็นกูขึ้นมาเวลาไม่โมโหก็เราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะกะรู้ทันมันรู้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะล้างความเห็นผิดเนียตัวเราไม่มีหรอกตัวเราถาวรไม่มี <S <S พวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อใครรู้สึกบ้างว่าตัวเรามีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หายใครเห็นตรงนี้ยกมือซินะเก่งแล้วนะ เริ่มเก่งแล้วเหลืออีกนิดเดียวแหละนะล้างความเห็นผิดได้จะล้างความเห็นผิดได้ด้วยโสดาปฏิมรนะ์โสดาปฏิมร์จะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถามรนะล้างความเห็นผิดนี่เราล้างการหมายรู้ผิดนะด้วยการหมายรู้ให้ถูกเวลาดูกายดูใจก็คอยรู้สึกไปเออมันไม่เที่ยงนะมนไม่ใช่ตัวเรานะอย่างเงี้ยคอยรู้สึกเอานะ ไปเรื่อยๆก็รู้สึกถูกเนี่ยก็มันก็เวลาคิดมันค่อยๆคิดถูกแล้วพอเผลอเราอย่างโน้นเรางิ้มก็จะนึกขึ้นได้ไม่ใช่สิ เ, เราอันนี้เป็นแค่ความฝันเป็นความคิดเท่านั้นเองนะพอหมายรู้ถูกพอชำนาญขึ้นมาสติรู้ทันเข้าไปก็คิดถูกขึ้นม า, าฝึกต่อไปเรื่อยๆตอโลกุตระปัญญาเกิดเป็นพระโสดาบัน มันจะไม่รู้สึกว่ามีเราอีกละไม่มีกระทั่งเงาของความเป็นเราอย่างพวกเรารู้สึกไหมบางทีไม่มีเรานแต่มีเงาเงาเงาเงาแฝงอยู่ในใจมีทุกคนแหละมีเงาแฝงอยู่ในใจว่าเรามีอยู่จริงๆเนี่ยค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูไปะใช้เรื่องยากอะไรดูสภาวะไปเรื่อยๆพอใจหมดแรงใจผู้สั่นกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปนึกว่านั่งอยู่กับพระพุทธเจ้า ใจก็มีแรงกลับมาดูสภาวะต่อฝึกไปอย่าหวังว่าเท่านั้นเท่านี้จะบรรลุนะบางคนได้ยินว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตั้งเป้าเจ็ดเจ็ดวันนี้ต้องได้โสดาไม่มีทางบางคนก็ไม่อีกโก่มากขอเจ็ดเดือนคนไม่ประมาทขอเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่ได้เพราะใจยังอยากอ ย, กอยู่ มันไม่ได้เพราะโลภมันได้เพราะปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ได้เพราะอยากได้ตราบใดที่ยังอยากอยู่ไม่ได้นี่เป็นหลักเลยนะอไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับพวกเราใส่แมสไว้อดีแล้วนะโลภมันยังระบาดอยู่